ณนี้ท่านกำลังฟัง FM ฟเอ็มร้อเมกะเฮิรสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันสีตาบนจารพัฒอำเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิต ผู้เป็นดวงจากสุแห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันบริณิพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างสวัยในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่มยมในความเยือกเย็ยนชุ่มชื่นแก่สัพพสัต ท, ทั้งหลายผู้เร่าร้อน ยังคงเป็นมักขาที่นำสพาสัพพะสัตทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียนกล้า ความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาโจมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านอาตมาภาพพระสมรักยา น, นทีโรวัดพันศีตำบลจารพัฒอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ ได้มาพบปะกับยโยาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตี5้ถึง6โมงเช้าในรายการร่มธรรมเวลา18นาฬิกานาทีถึงเวลา19นาฬิการายการกรวีบทรธรรมและเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมเพื่อชีวิต ยดยมสาธุชนทั้งหลายที่เปิดเคลื่อนรับฟังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาความถี่ร้อยหกจุดเจ็ดห้ามกะเฮิรตซึ่งทำการออกอากาศณนะอาคารเรียนชั้นสองโรงเรียนพระป ร, ะริยัติธรรมพันศีวิทยาซึ่งเป็นอาคารเรียนที่ใช้ในการ สั่งสอนและก็ใช้ในการศึกษาแลาเรียนของพระภิกษุสามเณรซึ่งมาจากหลายพื้นที่ที่เดียวย่อมสาธุชนทั้งหลายประมาณสิบวัดนั้นเดินทางมาจากทิศสานุทิศมาสู่ที่โรงเรียนพระปะริยัติธรรมพันสีวิทยาก็ถือว่าเป็นสถานที่ปมพเพาะแหล่งวิชาการทางพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นแหล่งวิชาการต่างๆมากมายที่เดียวยดโยมสาธุชนทั้งหลายซึ่งสถานีวิทยุก็เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งหนึ่งที่กำเนิดเกิดขึ้นในส่วนของโรงเรียนอยู่บนโรงเรียนพระป ร, ะประยะิยัติธรรมพันศีวิทยาก็ยดโยมสาธุชนทั้งหลายที่เกิดขึ้นรับฟังทางรายการวันนี้ก็น่าจะแปลกใจแล้วหละว่าทาไมวันนี้ต้องมีมารูปเดียวว่าอย่างนั้น ก็ไม่เป็นรายยัดยมวันนี้ท่านพระอาจารย์สุภัน์นั้นเดินทางไปที่โรงพรยาบาลเพื่อไปอาพาลูกเนนนั้นไปตรวจที่โรงพรยาบาลด้วยเนื่องจากว่าไม่สบายกาว่าจะไปด้วยก็เป็นห่วงรายการก็ไม่สามารถที่จะไปได้ก็ปล่อยให้ท่านอาจารย์สุพัฒน์นั้นพาลูกเนนไปที่โรงพรยาบาลอำเภอศิขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ ก็ถือว่าในช่วงนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อยากจะขอแสดงความเป็นห่วงกับญาติโยมและก็ลูกหลานของญาติโยมด้วยแม้แต่ลูกหลานของอาตมาภาพที่วัดพันศรีเองก็ช่วงนี้ก็มีโรคภัยเขาเจ็ดนั้นเบียดเบียนมากพอสมควรทีเดียวนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกนะโอ้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะก็ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายพอสมควรทีเดียวญาติยโยม น่ะก็ที่วัดนั้นก็หลายรูปทีเดียวก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของอคุณหมอที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็ไปเยี่ยมกันเป็นประจำเป็นประจำเลยทีเดียวน่ะหลายวันที่ผ่านมาคณะนักเรียนโรงเรียนพระป ร, ะริยธรรมนั้นแห่กันไปเป็นขบวนคันรถหกล้อไปถึงโรงพยาบาลนี่น่ะพยาบาลตกใจเลยว่ามาทาอะไรกันเยอะแยะ ก็เลยบอกไปว่ามาเพื่อให้กําลังใจกับโรกเนนทั้งหลายบางรูปก็บอกว่ามาเพื่อให้กําลังใจสามเนนเพื่อนเนนกันนะก็ถือว่าเป็นการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่เดียวยจมบรรดาพระเนนทั้งหลายที่อยู่ที่โรงเรียนพระปริยติธรรมปันศีวิทยาก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันใครมีอะไรปวดมีปัญหาอะไรอย่างไรเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างไร หรือญาติพี่น้องตายอย่างไรเราก็จะพยายามที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันญนะาติพี่น้องอตกทุกข์ได้ยากเราก็พยายามที่จะให้ความาให้กำลังใจเพราะว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันเหมือนกับที่เมื่อวานที่อาจมาภาพนั้นได้คุยไปในเรื่องของกอไผ่ในเรื่องของลำไผ่ถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างาสมัครสมานสามัคคีกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ไม่ดูถูกซึ่งกันและกันนี่แหลายัดโยมสาธุชนทั้งหลายเราก็ถือว่าเราอยู่กันอย่างคุณธรรมยอยู่กันอย่างเป็นผู้ที่มองเห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตเรายดโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเกิดว่าเรานั้นอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างแกล้งยิงแกล้งในส่วนของคือพยายามที่จะเอาอะไร ที่มันขัดศิลธรรมพยายามที่จะแข่งแย่งจริงดีจิงเด่นกันนี่อัตมาภาพเชื่อว่าสังคมนั้นจะไม่ยั่อยู่ยั่งจบเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นสังคมบางอย่างนั้นไม่น่าอยู่เลยนะบางคนก็ด่ากันทั้งวันนะว่ากันทั้งวันแต่ถ้าเราอยู่โดยเฉพาะในส่วนของอาสาถ้าเราเป็นผู้บริหารงานหรือถ้าเราจะเป็นผู้นําอะไรนี่เราก็ต้องอดูแลซึ่งกันและกันพูดในส่วนที่ ฟังได้นาะดูแลกันอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนาะยจอมก็วันนี้ถือโอกาสแล้วล่ะนายจมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นอยากจะร่วมสนทนาธรรมการอัรมาภาพก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 4 4ย์0 4 4 8ี นะเบอร์โทรศัพท์044560488เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สื่อสารเข้ามาสู่รายการได้ในส่วนของช่วงนี้เป็นรายการสดที่จัดรูปเดียวนะก็เนื่องจากว่าท่านประจารอีกรูปหนึ่งนั้นไม่สามารถมาจัดรายการได้เนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินจะต้องเรียบไปจัดการทํางานกันต่อไปก็ยังมีตัวแทนคือจะมาภาพนี่แหละม า, าร่วม คุยร่วมสนทนาธรรมกับยะโจมณในส่วนของช่วงเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเป็นเวลาที่ยะโยมหลายคนหลายท่านเองก็บางทีก็หลับไปแล้วก็มีบางทีก็ดูละครก็ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติก็แล้วกันวันนี้พระมาพูดคุยให้กับยะโยมสาธุชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันเดี๋ยวอย่างไรขอรับโทรศัพท์ก็แล้วกันคุณโยมโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการ อขออนุโมทนาคุณโยมเจริญพ ร, รพาเจริญพรคุณโยม เ, เจริญพอ ร, ร, วว ร, รอะไรนะเป็นรายการแบบไหนครับอ๋อเป็นรายการวันนี้จะพูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระในประเด็นเรื่องของงานศพวันนี้จะพูดคุยต่อ จเจริญพรมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอย่างไรคุณโยมอยาถามว่าถามไงครับ <laughs> อ่าพ <laughs> ูดเลยคุณโยมพูดเลยอือนี้ผมมาจากลงจากบ้านกนเหยนะครับเอามาจาก บ, บ้านบ้านไหนนะนน บ, บ้านกาเหรองครับบ้านกาเหลืองตรงนี้ใช่ไห ม, มอ่าผมอ่าเจริญพรเป็นเป็นคุณโยมหรือว่าเป็นชสุนทรเทพใช่ไหครับ อ๋อเป็นเป็นพระหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นเป็นโยมอ๋อเป็นโยมมีอะไรเพิ่มเติมเสริมแต่งฟังประจำครับอ๋อฟังเป็นประจําใช่ไหมคุณโยมอือเจริญพรข้อโนโมธนาวันนี้เพิ่งว่าอีกท่านหนึ่งท่านใบทุระก็เลยให้อาตมาภาพมาดําเนินการรูปเดียวเป็นพลังหลวงพ่อมาสองมาทั้งสองเลยนะครับคุยันก็แล้เจริญพรเป็นยังไงบ้างช่วยติชมหน่อยก็แล้วกันไม่ก็ เนอหาสาระดีครับอ๋อเนื้อหาสาระเนาะครับอ่าเจริญพรคุณโยมนี่ทําอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยกําลังนนฟังไม่รังฟังเฉยๆกับอ๋อฟังอยู่เฉยๆเนาะครับอ่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วหละยอดโยมถ้าไม่มีอะไรก็สอบถามมาก็ก็ถือว่าถ้าฟังแล้วก็ดีก็คือ บ, บางทีอาตมาภาพพูดเมื่อสักครู่เพื่อจะมีคนเขาฟังแล้วอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาสู่รายการ นะก็ก็ดีแล้วที่สนทนาเข้ามาสู่รายการก็ขออนุโมทนาก็แล้วกันอืถ้ามีอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้เจริญพรขออนุโมทนาขออนุโมทนาบุญกุศลอย่างยิ่งเลยคุณโยมนะถือว่าเป็นผู้ที่ฟังรายการร้อยหกจุดเจ็ดห้ามเกนะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หาตัวจับยากทำไมจึงบอกว่าหาตัวจับยากเพราะเอินว่า การฟังธรรมะแล้วกล้าที่จะพูดกับพระนี่เป็นเรื่องที่บางคนนี่กลัวมากเลยทีเดียวนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบอื่นไกลหรอกญาติโยมอาจจะมาภาพเองสมัยเมื่อเป็นคารวะญาติโยมนี่ก็ว่า จ, จะมาพูดเป็นกับพระเป็นนี่ก็ใช้หลายมาตรการเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเป็นเด็กๆนี่ก็ให้ความเคารพสงฆ์มากแล้วก็ นในช่วงเช้าเชนี่ก็พยายามที่จะตักบาตรกับพระสงฆ์ด้วยคงจะเป็นด้วยด้วยเหตุนี้กำลังที่ประิญว่ามีใจอยากจะเข้าในทางพระพุทธศาสนาเห็นผ้าเหลืองแล้วรู้สึกภูมิอกภูมิใจก็เลยมาบวชในทางพระพุทธศาสนาก็หลายปีดีดันแล้วหลายอดยมนะก็ถือว่าบุคคลที่สามารถที่จะฟังธรรมะได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ น่าที่จะให้การยกย่องเชิดชูเพราะว่าในสังคมในยุคปัจจุบันนี้อัจรมาภาพนี่เชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดว่าหมุนคลื่นมาเจอธรรมะบางคนนี่ก็จะหมุนคลื่นหนีกันทีเดียว <c oughs> นะก็ว่าว่าฟังแล้วนี่มันไม่คลึกคลื่นฟังแล้วมันหดเหี่ยวยื้อย่างไรแต่ที่จริงแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ เราฟังแล้วนี่เอาไปประพฤติไปปฏิบัตินี่สามารถที่จะทําให้สภาวะจิตของเรานี่ดีขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราปัจจุบันนั้นพยายามที่จะปากกัดทีนทีมากจนเกินไปจึงทําให้เรานั้นไม่ค่อยได้มาศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ถือว่าคุณโยมบ้านการเหลืองนะลืมถามชื่อไปก็ไม่เป็นไรนะก็ ย่อมสาธุชนท่านใดที่มีเวลาว่างพอถ้าเกิดว่ า, ามาแวะผ่านวัดพันศีอยากจะได้หนังสือก็สามารถที่จะเดินทางมาขอรับได้ที่วัดพันศีได้ที่แจกไปครั้งก่อนนั้นก็คือหนังสือวิธีการทําบุญบารมีแล้วก็หนังสือสวดมนต์บูชาต่างๆคําคอาราธนาศีลคาบูชาพระรัตนตรยัย แล้วก็หนังสือในส่วนของการถวายทานต่างๆนี้มีอยาจบก็สามารถที่จะมาขอรับได้เมื่อวานนั้นได้แจกไปจํานวน5้าชุดด้วยกันซึ่งมีคุณโยมท่านเป็นคุณครูสอนอยู่นู่นที่บ้านอะไรบ้านจานเดินทางมาเพื่อที่จะอพานักเรียนมาด้วยจํานวนสี่คนด้วยกันเป็นนักเรียนตัวเล็กๆเลยทีเดียวประมาณอายุประมาณ มปป4ป5นี่บอกว่าอยากจะทำโครงงานทางพระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธด้วยก็อยากจะมาหาข้อมูลหลักฐานอะไรเพิ่มเติมที่วันวันนี้ก็เห็นมาด้วยแต่เนื่องจากว่าติดภาระงานจริงๆก็ไม่สามารถที่จะไปะพูดคุยสนทนาธรรมะได้ก็ให้ท่านพระอาจารย์สุพัฒน์นั้นไปพูดคุยสนทนาด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะขึ้นมารายการก็ ไปสอนสามเณรด้วยหมายถึงว่าสอนเสร็จนี่ก็รีบมาจัดรายการต่อก็แล้วกันนะทีเดียวก็ไม่สามารถที่จะพูดคุยแต่เห็นว่าคุณโยมนั้นมีความสนใจนะลูกหลานก็มีความสนใจต้องการที่จะทำโครงงานก็เดินทางมาที่วัดพันศีวันวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยนะก็ให้ข้อมูลไปพอสมควรอันนี้ถือว่าในส่วนหนึ่งก็คือในฐานะที่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ เนี่ยก็อยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหานั้นได้ศึกษาซึมทราบในส่วนของธรรมะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งทีเดียวเดี๋ยววันนี้ก็คงจะต้องสนทนารูปเดียวนะเนื้อหาสาระที่สนทนาทุกวันนั้นจะเป็นมงคล38ประการเนื้อหาสาระที่จะนํามาคุยในวันนี้ปกติแล้วจะคุยกันในช่วงของเวลา16บหนาฬิกาถึงเวลา17บเนาฬิกา เนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนผังรายการรายการเนื้อหาสาระยังไม่จบแต่ปรับเปลี่ยนรายการไปก่อนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหาสาระนี้จะามาลงตรงไหนก็เลยต้องจําเป็นถ้ามีมารูปเดียวก็จะมานําเสนอในช่วงของสามทุ่มสิบสี่ทุ่มรายการของอาตมาภาพยอดเยยมสามารถติดตามรับฟังได้ในช่วงของตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็ในช่วงของสิบแปดสสบถึงสิบเ แล้วก็เวลา21นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาคือเวลานี่แหละเป็นเวลาสนทนาธรรมยศโยมสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเข้า ม, มาสู่รายการได้ที่ 044-560-488 ถ้ายังไม่มีใครโทรศัพท์เข้ามาก็จะพูดคุยในส่วนขององานทาบุญต่อก็แล้วกันนะวันก่อนนูน่นหลายวันที่พูดคุยในส่วนของการทาบุญในส่วนของการทาบุญบรรจุอัถิ ย, ยจบ นะที่จริงแล้ววันนี้นี่จะเสนอในส่วนของระเบียบปฏิบัติการทำบุญบรรจุอัถิยะจบนะระเบียบการปฏิบัติทาบุญบรรจุอัถินี่ก็ต้องมีการกำหนดวันทำบุญอัถินั้นนี่ยะยมนิยมปฏิบัติกันทั่วไปก็คือเมื่อเจ้าของงานมีพร้อมทั้งศรัทธาทั้งพบกรัพย์ทั้งวงสาคนาญาติก็พร้อมทุกประการแล้วเมื่อใดก็จัดงานทาบุญอัถิเมื่อนั้นนะยจบ คือการจะทำบุญโดยเฉพาะในเรื่องของบุญบรรจุอัฐินี่ควรมีความพร้อมเพราะว่าเป็นงานที่ไม่เร่งด่วนเท่าไหร่เพราะว่าเป็นงานที่เรานั้นได้ผ่านพ้นในส่วนของการงานชา ป, ปน ก, กิจศพไปแล้วทีนี้เราก็จะทำบุญบรรจุอัฐิกันนะการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการทำบุญบรรจุอัฐิย่าโจมในการจัดงานทำบุญบรรจุอัฐิเนี่ย นิยมจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีไว้ให้มีพรั่งพร้อมก่อนถึงวันและก็เวลาประกอบพิธีก็ควรจะมีดังนิยจโมหนึ่งละก็คือผ้าไตรหรือผ้าสบงหรือผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับใช้ทอดให้พระสงฆ์พิจารณาบังสุกุลก่อนบรรจุอธิมีจำนวนมากเท่ากับจานวนพระสงฆ์ที่นิมนต์มาสวดพระพุทธมนต์นั้น สองก็คืออะไรสองก็คือน้ำอบไทยติยมสำหรับใช้สงอธัธิจำนวนหนึ่งขวดเป็นอย่างน้อยสามมีทูบหนานิยมเราใช้นิยมใช้ทูบหอมมีจำนวนมากเพียงพอแก่ผู้มาร่วมพิธีบรรจุอัธินั้นควรจะแจกคนละหนึ่งดอกในะยอดจบประการที่สีก็คือกระถางทูบหนึ่งลกูก สำหรับใช้ปักธูปสักการะบูชาอาธิฐานนั้นประการที่5ก็คือเหรียญเงินหนึ่งบาทหรือเหรียญเงิน5บาทมีจํานวนมากพอสมควรสำหรับบรรจุพร้อมกับอธิยดยมทีนี้เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เข้าของสิ่งของพังพร้อมตั้งหประการเรียบร้อยแล้วก็ถึงสถานที่บรรจุอธิยยม สถานที่สำหรับบรรจุอัฐินั้นนี่เจ้าภาพมีความประสงค์จะบรรจุอัฐิณสถานที่ใดเมื่อใดจะต้องติดต่อสอบถามตกลงกับทางวัดหรือเจ้าหน้าที่สถานที่บรรจุอัฐินั้นพร้อมทั้งจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในพิธีบรรจุอัฐิมีอะไรบ้างไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อความสะดวกด้วยกันทุกฝ่ายญาตไม่ว่าจะเราจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่ญาติยโยมสาธุชนทั้งหลาย เราควรที่จะเตรียมให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าวาจ่าให้ประเคราะห์ให้ไพเราะวิเคราะห์ให้เหมาะความนี่ควรจะมียะจมทีนี้การจัดงานทำบุญบรรจุอัถินาการจัดงานทำบุญบรรจุอัฐินิยมปฏิบัติพิธีทำบุญเช่นเดียวกับพิธีทำบุญทั่วไปนั่นเองยะจมแต่มีความนิยมแตกต่างกันบางเพียงบางประการเช่น เกี่ยวกับการจัดงานทำบุญอัฐิดังกล่าวมาแล้วนั้นนี่วิธีปฏิบัติในการบรรจุอัฐิยัดโยมวิธีปฏิบัติในการบรรจุอัฐินั้นนี่นิยมปฏิบัติกันน่าตามระเบียบพิธีต่างต่าน่ะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันหนึ่งละน่าการส่งน้าําอัฐิเราควรทํากันอย่างไรยัดโยมการส่งน้าําอัฐิโดยบุตรธิดาวงศาคนาญาตและก็ผู้มาร่วมพิธีทุกคน ประพรมอัฐิด้วยน้ำอบไทยพร้อมกับใส่เหรียญเงินบาทลงในภาชนะบรรจุอัฐินั้นจนครบทุกคนที่มาร่วมพิธี 2. อก็คืออันเชิญอัฐิเข้าบรรจุณนะสถานที่สำหรับบรรจุนั้นสาก็คือเจ้าภาพแจกทูบที่จุดไฟแล้วให้แก่ผู้มาร่วมพิธีทุกคนคนละหนึ่งดอกผู้เป็นประธานพิธีก็นำสาการะบูชาอัฐิ โดยถือทูบ ป, ประนมมือยกขึ้นให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองนั้นจรดอยู่ที่ดังจมูกปลายนิ้วชี้ทั้งสองจดอยู่ระหว่างคิว้วพร้อมกับนึกอธิษฐานในใจว่าขอจงเป็นอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดจบแล้วก็ปักทูบไว้ณกระถางสำหรับปักทูบนั้นแล้วก็น้อมตัวลงยกมือไหว้อีกครั้งแม่ผู้มาร่วมพิธีทุกคนก็นิยมปฏิบัติเช่นเดียวกันญาติโยม ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีระเบียบปฏิบัติอย่างหนึ่งหมายความว่าหลังจากที่เรานี่คือระเบียบพิธีในการากทําในส่วนของการทําบุญบรรจุอาทิยจบมาดูการปฏิบัติประกอบพิธีลอยอังคารบ้านเราไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นักส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเจอกันที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่หนาระเบียบพิธีการประกอบพิธีลอยอังคาร การกำหนดวันประกอบพิธีลอยอังคารนะการกำหนดวันประกอบพิธีลอยอังคารเนี่ยนิยมปฏิบัติกันโดยมากแบ่งออกได้เป็นสองแบบก็คือหนึ่งละการประกอบพิธีลอยอังคารในวันทำบุญฉลองอัติหรือสองการประกอบพิธีลอยอังคารเมื่อมีความพร้อมวันใดวันหนึ่งสิ่งของที่ควรที่จะเตรียมไปใช้ในการลอยอังคารนิ ย, ยมหนึ่ง ต้องมีพวงมาลัยดอกไม้สดอย่างน้อยหนึ่งพวงส่วนพวงรีดนั้นไม่นิยมนําไปนายโยมการลอยอังคารอย่านําพวงรีดไปไม่ควรประการที่สองก็คือทูบญาติโยมนิยมใช้ทูบหอมสําหรับจุดสัการะบูชาอังคารมีจํานวนมากเพียงพอแก่ผู้ไปร่วมงานก็คือควรจะได้ละแจกคนละหนึ่งดอกญาติโยมประการที่สมก็คือกระถางทูบหนึ่งลูก มีขนาดใหญ่พอสมควรสี่ก็คือได้สายศินหนึ่งกลุ่มสำหรับใช้ผูกโยงลุ่งนะย่อนลงสู่ท้องทะเลห้าก็คือกลีบดอกกุหลาบสดจัดใส่พานมีจำนวนมากพอสมควรแล้วก็ประการที่หกก็คือก้อนหินสักสองถึงสามก้อนนะมีน้ําหนักพอจะทวงลุ่มให้จมลงสู่ท้องทะเล ทีนี้มาดูวิธีปฏิบัติในการลอยอังคารอัฐิที่เหลือจากการเก็บอัฐิพร้อมทั้งอังคารที่เขาเรียกว่าขี้เท่าที่กระวาดรวมใส่กล่องโลหะหรือลุงหรือหีบไม้ไว้นั้นเนี่ยนิยมนำไปบรรจุไว้ในเจดีหรือนำไปลอยเสียในกระแสน้าไหลเฉ่นในทะเลหรือในแม่นาม้าแต่โดยมากยะโจมเรานั้นนิยมนาไปลอยลงในทะเล เพื่อให้ห่างไกลจากชุมชนเมื่อได้ทำบุฉลองอัติและอังคารโดยการนิมนต์พระสงฆ์จํานวนห้ารูปเจดรูปสิบรูปหรือนิมนต์พระสงฆ์หมดทั้งวัดสวดพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารเช้านะหรือถวายพัตตาหารเพนตามสมควรตามความสะดวกณนะนิมนต์พระสงฆ์พิจารณาบางสุกุลอัติและก็อังคาร ถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็อนุโมธานาให้พรเจ้าภาพก็กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้ห่วงลับไปแล้วเป็นเสร็จพิธีทําบุญฉลองอัฐิและก็อังคารแล้วหรือถ้าเจ้าภาพนี่ยังไม่พร้อมจะจัดงานทําบุญฉลองอัฐิและอังคารได้ก่อนที่จะนําอังคารไปลอยเนี่ยนิยมนิมนต์พระสงฆ์จํานวนตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป พิจารณาผ้าบาังสุกุลอังคารถวายเครื่องไทยธรรมประสงค์ก่บนอนุโมทนาให้พรเจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้หลวงลับไปแล้วคณะเจ้าภาพก็ซึ่งมีบตท ธ, ธิดาพร้อมด้วยญาติสนิทเมตสาหายพร้อมการอัญเชิญอังคารนั้นนำลงเรือไปยังสถานที่สมควรจะลอยอังคารในทะเล แล้วก่อนที่จะอัญเชิญอังคารลงลอยในทะเลก็นิยมจุดธูปแก่แกบ่บรรดาญาติสนิทเมตสหายที่ไปร่วมพิธีคนละหนึ่งดอกเพื่อให้ทำการสักการะบูชาอังคารพร้อมกับบอกกล่าวแก่เทพยดาผู้รักษาทะเลหลวงให้ได้รับทราบโดยทั่วกัดจากนั้นประธานพิธีโดยมากก็เป็นบุตรหรือทิดาคนหัวปีนำได้สายศิลมาผูกที่ลุง แล้วก็คลี่ด้วยสายศิน์ไปให้ญาติมิตรในส่วนของญอาติสนิทมิตรสหายทุกคนถือไว้แล้วก็อัญเชิญลุ่งใส่อังคารโดยถือด้วยมือทั้งสองประคองหย่อนลงสู่ทะเลพร้อมกับได้สายศิลป์ด้วยกิริยาอาการแสดงความเคารพแล้วก็หย่อนพวงดอกไม้สดลงตามไปพร้อมกันนั้นนี่ก็บันดาลญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายนี่ ผู้ไปร่วมพิธีก็หย่อนพวงดอกไม้สดถ้ามียัจบหรือโรอยกลีบดอกกุหลาบลงตามไปในทะเลเพื่อทําการสักการะบูชาอังคารเป็นวาระสุดท้ายแล้วก็ทุกคนน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวคำํำอวยพรแก่ท่านผู้หลวงลับไปแล้วว่าขอท่านจงไปสู่สุขคติเถิดจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดดังนี้แล้วนี่ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีรอยอังคาร ส่วนเครื่องสการะบูชาต่างๆและก็พวงหรีดทั้งหลายไม่นิยมทิ้งลงทะเลเพราะว่าจะทำให้น้ําในทะเลเกิดความสกปรกและก็จะทําให้เกิดความลําบากใจแก่ชาวประมงทั้งหลายตลอดถึงความลําบากใจแก่เจ้าหน้าที่เรือขุดลอกสันดอนอีกด้วยยะจบเพราะฉะนั้นยะยมสาธุชนทั้งหลายคตินิยมโบราณได้กล่าวไว้น่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะเอา อามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่า บ, บรรพุตของเราทั้งหลายนี่นิยมรวบรวมอัฐิที่เหลือและก็อังคารก็คือขี้เท่าทั้งหมดนั้นนําไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่สร้างขึ้นไว้เป็นอนุสาวรีของบรบรพุษหรือนําไปบรรจุไว้ภายใต้ฐานพระพุทธรูปหรือนําไปเก็บรวมไว้ที่โคนต้นโพซึ่งนิยมการสืบมาว่าสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่เหมาะสมโดยประการทั้งปวง เพราะเป็นสถานที่จะได้ไม่มีใครมารบกวนเหยียบย่ำก่้ำกลายล่วงเกินเป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาเป็นสถานที่มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยแท้สมัยปัจจุบันเนยดยมมักนิยมนำอธิฐาที่เหลือแล้วก็อังคารไปลอยน้ำในทะเลนั้นก็ได้ลองสอบถามดูหลายท่านด้วยกันได้ความเป็นทํรนองเดียวกันว่าเพื่อต้องการที่จะไม่ให้มีใคร มารบกวนเหยียบย่ำกรำกลายล่วงเกินและก็เพื่อจะให้ผู้หลวงรับไปแล้วมีความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะอยู่ในน้ำดังนี้ยะจกแต่ความจริงปรากฏว่าในการขุดหลอกสันดอนที่ปากน้ำเจ้าพยาทุกวันนี้นั้นได้มีลุงใสอังคารที่ปากันนำไปลอยในทะเลนั้นติดขึ้นมาพร้อมกับดินโคลนที่ลอกขึ้นมามีจานวนมาก ก็ทำความลาบากใจให้แกเจ้าหน้าที่ประจําเรือขุดหลอกสันดอนไม่น้อยเลยยะจบได้รับการบอกเล่ายืนยันความจริงมาอย่างนี้เมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ผู้ที่หวังว่าจะให้อัติและอังคารบันพบรุดของตนของตนมีความอยู่เย็นเป็นสุขโดยไม่มีใครมารบกวนเหยียบย่ำกรำไกรล่วงเกินนั้นเห็นจะไร้ผลเส็จแล้วหลยะจม เพราะเหตุนี้จึงขอเสนอแนะแก่ท่านผู้มั่นอยู่ในความกตันอยูกตาวทีผู้มีความหวังดีปรารถนาดีต่อบรรพบุรุษของตนของตนสมควรจะได้พินิษพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริงแลว้วก็ชักชวนกันหนั่นกลับมาถือกตินิยมที่บรรพบุรุษของเราทั้งหลายได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลดังได้กล่าวแล้วข้างตน้นทั้งนี้ก็เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาติไทยเรา และก็เพื่อความสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายพร้อมทั้งเพื่อเป็นการประหยัดอีกด้วยยะโจกอันนี้ถือว่าเป็นการเล่าในส่วนของระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธซึ่งยาโจมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการนี้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ฟังแล้วาสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถือว่าเป็นประเด็นเป็นเนื้อเรื่องที่สาคัญทีเดียวเพราะว่า โดยเฉพาะในส่วนของประเพณีงานศพนี่ถือว่าเป็นประเพณีที่เห็นกันบ่อยเลือกเกินน่าเป็นเห็นกันบ่อยแต่ชนส่วนมากแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีความรู้กันมากสักเท่าไหร่นักเนี่ยจบซึ่งที่จริงแล้วนี่ประเพณีที่เห็นกันบ่อยก็คือพิธีทำบุญงานศพของไทยถือว่า เป็นประเพณีพิธีการทำศพของไทยเรานั้นนี่ย่อมมีวิธีหลายวิธีด้วยกันซึ่งอาตมาภาพได้กล่าวมาคร่าวๆ ค, ครั้งก่อนแล้วแต่ทีนี้อยากขอกล่าวในส่วนของขนบธรรมเนียมประเพณีที่นิยมกันทำจริงๆและก็ได้ทำสืบสื บ, สบต่อกันมาจนถึงการปัจจุบันก็หมายความว่าก่อนก่อนที่จะมีงานศพมันก็ต้องมีคนป่วยหรือคนที่ใกล้จะตาย ก็คือคนที่ผู้ป่วยจะหมดลมหายใจนั่นแหละ ย, ยะโจมก็คือว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการหนักเต็มที่แล้วยะโจมหยาดมิดหยาดมิตรสหายนี่หรือผู้ที่รักษาพยาบาลส่วนใหญ่แล้วเราควรทำให้เป็นประโยชน์ยะโจมก็คือควรคอยเตือนสติผู้ป่วยก็คือผู้ที่จะใกล้จะตายนั้นให้ระลึกให้ได้ยะโจมก็คือให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ เช่นเราพยายามพูดกรอกใส่หูคนที่ใกล้จะตายว่าอารหังอรหังอรหังเนี่ยหรือพุโทโธพุโทโธพุโทโธเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่ายังไงยะโจมก็เพื่อเป็นการบอกขนทางให้คนที่ใกล้จะตายคือให้ไปสู่ที่ดีอาการตายของคนเรานั้นมีสองอย่างยะโจมก็คือตายปราศจากองศีเรียกว่าตายอย่างหน้าอานาถาที่พึ่งไม่ได้อย่างหนึ่ง ตายพร้อมด้วยองศีเรียกว่าตายอย่างไม่น่าอนาถเพราะได้ที่พึ่งพิงนั้นอย่างหนึ่งจินยจยมสาธุชนทั้งหลายที่ว่าตายพร้อมด้วยองศีได้ที่พึ่งพิงนั้นก็คือการละความห่วงใยภายนอกเช่นสวิญญาณหน้ากรัพย์คือรั์ที่มีวิญญาณครองได้อาเกไรหายยจยมหนึ่งก็คือถ้าเป็นถ้าเป็น ภรรยาก็คือสามีปดภรรยาช้างม้าวัวควายเหล่านี้เป็นต้นเ็าเรียกว่าสวิญญาณกะพับแล้วก็ละอวิญญาณกะซับได้ก็คือรั์ที่ไม่มีวิญญาณครองได้แก่เคหสถานที่ไร่ที่นาเรือกสวนรถยนต์เรือยนต์กลนไฟรงสีและก็ภาชนะสิ่งของที่เราเคยใช้สอยนั้นยจัจบเช่นอะไรล่ะเช่นเงินทองเหล่านี้เป็นต้น ที่เราเรียกว่าละห่วงในภายนอกละห่วงใหญ่ภายนอกส่วนการละห่วงใหญ่ภายในนั้นก็คือเรานั้นควรพิจารณาให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นปัจจัยปรุงแต่งแล้วย่อมไปเป็นในอำนาจแห่งกรรมตกอยู่ในอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงแท้ถาวรมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความชำรุดสุดโทรมไปในถ่ำกลาง แล้วก็มีความแตกสลายสิ้นสุดไปในเมื่อปลายนี่แหละก็คื อ, อถือว่าประกอบด้วยองค์สี่ซึ่งตรงกับคําหรือตรงกับพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตรัสไว้อย่างนี้ยะโจมที่เราเห็นเป็นประจำฟังเป็นบ่อยๆทุกงานศพนี่ก็จะเจอนั่นก็คืออะไรยะจมท่านก็จะกล่าวตอนที่พิจารณาว่า อ, อนิจจาวตถสังขารา อุปาทาวยะธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันตินะก็แปลว่าอย่างนี้ญาติโยมแปลว่าสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพญญาโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราเห็นว่าผู้ป่วยจวนจะหมดลมหายใจอยู่แล้วใกล้จะตายนี่ควรจะอัญเชิญพระพุทธรูป หรือนิมนต์พระสงฆ์มานั่งเป็นประธานคืออย่างน้อยก็นิมนต์พระมาสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์หรืออย่างน้อยก็ให้เขาเห็นก่อนที่ใกล้จะตายนาะยจมได้ฟังทำบ้างอะไรบ้างนี่เพื่อจะได้ตักเตือนสั่งสอนแก่ผู้ที่จะถึงซึ่งความดับขันไปนั่นถึงหากจะไม่ได้ยินแต่อาจจะมองเห็นอยู่บ้างนายมเมื่อผู้กาลังจะตายได้แลเห็นพระจิตใจจะได้ผ่องใส ไม่มีความกระวนกระวายและก็จะได้สิ้นลมหายใจไปต่อหน้านั่นก็คือต่อหน้าพระพุทธรูปเรานิมนต์พระพุทธเชิญอันเชิญพระพุทธรูปไปตั้งตรงนั้นแล้วก็มีพระธรรมมีพระสงฆ์น่ะจิตใจจะได้นึกถึงประวัตินะนึกประวัติไปสู่หนทางที่ดีเปรียบเสมือนพระท่านมาชี้ช่องทางให้วิญญาณไปสู่สุคติยะจบภรรยาสามีกับลูกหลานก็ไม่ควรร้องไห้ด้วย หรือแสดงกิริยาอาการเศร้าโศกเสียใจให้คนเจ็บนั้นได้เห็นทุกๆครั้งที่อยู่ต่อหน้าในขณะที่คนเจ็บนั้นจะถึงกาลมรณะคือตอนตายในหลาะโยะมและก็ควรเอาดอกไม้ทูบเทียนใส่ในมือให้ขณะที่จะสิ้นลมหายใจด้วยเพราะเราถือกันว่าจะได้ถือไปน้ำมัสการบูชาพระจุลามณีพระเขียวแก้วบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ ในเวลาช่้นนี้ยศโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพน่าจะต้องเตรียมจัดหาเทียนขี้พึ่งหนักสี่บาทไม่ไส้เก่าเส้นไว้สำหรับจุดเมื่อเวลาผู้นั้นสิ้นลมหายใจเมื่อจุดแล้วก็เอาตั้งไว้ทางศีรษะเมื่อหมดเทียนแล้วจึงมัตราสังลงหลงได้เป็นอันไม่ฟื้นแล้วนะที่เรียกว่าเรียนกาละเม็ด ก็หมายความว่าในส่วนของการจุดเทียนก็คือหมายความว่าจุดเทียนหนักสี่บาทนี่ถ้าเทียนหมดเมื่อไหรแล้วคนไม่หายใจต่อนี่คือหมายความว่าพอตายไปแล้วเนะี่ยเรารู้ว่าตายนี่ก็ควรที่จะจุดเทียนหนักสี่บาเพื่อให้เทียนนั้นดับไปถ้ายังไม่หายใจเหมือนเดิมนี่ก็มหมายความว่าตายแล้วไม่ฟื้นไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่ไม่พ้นแล้วว่าอย่างนั้นเรียกว่ากาลเม็ดย่ายบ นะส่วนศพนั้นนี่ก็ใช้ผ้าคลุมตั้งแต่ศีรษะตลอดปลายเท้าให้มิดชิดไม่ให้เห็นหน้าตาในสมัยโบราณนี่เขาระวังนักกันระวังหนาที่จะไม่ให้แมวข้ามศพได้เพราะมีคำกล่าวลือกันมาว่าศพนั้นจะลุกขึ้นได้และก็มีปีศาจจากคานองเพราะฉะนั้นนี่จึงต้องปิดประตูหน้าต่างห้องมีศพอยู่นั้นให้มิดชิดที่สุดบองกันแมวไม่ให้เข้าไปได้จบ ถ้าศพอยู่เรือนที่ไม่มีฝารอบขอบชิดก็ต้องป้องกันการด้วยการกางมุงครอบศพไว้ย่าจมเพื่อให้คนคอยนั่งเฝ้าแต่มาสมัยนี้ย่าจมจะไม่เห็นมีใครทำอย่างนั้นเพราะเขาเชื่อกันว่าถึงแม้แมวจะข้ามศพศพจะลุกขึ้นนั่งไม่ได้คงนอนแข็งอยู่ตามสภาพเช่นนั้นเองปีศาจจิจักขะนองก็คงจะไม่มีเช่น เ, เ, เดียวกันยจม ที่จริงก็เป็นการตัดธุระกังวลไปได้อย่างหนึ่งที่จะได้ไดม่จะได้มีโอกาสเตรียมเข้าของอื่นๆที่จําเป็นจะต้องใช้ต่อไปจะได้ไม่ต้องมานั่งเศร้าโศกเสียใจอยู่ที่ใกล้ๆ้ศพนะที่จริงแล้วของที่จะต้องใช้ก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะก็มีขมิ้นชันสดมะกรูดปอกเอาแปลผิวแล้วโคลกคันเอาน้ําไว้ฉลมศพเมื่ออาบน้ําศพเสร็จแล้วแล้วก็ต้มน้ําไว้อาบศพ นาสามก็ผ้าซับรอยเทา้ารอยมือรอยเทา 5, ้าห้าผืนน่ะจะใช้ผ้าเช็ดหน้าผ้าเขา่าตามธรรมดาก็ได้นะเสื้อผ้าถุงเท้าวไว้แต่งตัวศพเมื่อรดน้ำศพแล้วก็ควรเลือกเอาของที่ผู้ตายรักและก็ชอบส่งการให้กับผู้ที่ชอบพอคุ้นเคยกับผู้ตายแล้วก็ดอกบัวเล็กๆหนึ่งดอกถ้าไม่มีจะใช้ดอกไม้อื่นก็ได้ทูบหนึ่งดอกเทียมหนึ่งเล่ม เย็บกรวยใส่ไว้หมากหนึ่งคาพลูหนึ่งจีบใส่ไว้ให้ถือนาะเมื่อเวลาตราสังเสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าจบก็มีของเยอะแยะเช่นท้องปิดหน้าหรือสีสีพึ่งก็ใช้ได้นะสีพึ่งเมื่อทำเป็นรูปหน้าและปิดทองคําเปลวแล้วจะดูงามขึ้นผ้าขาวแป้งหนึ่นงไม้ผ้าหนงขาวสองผืนผ้าห่มขาวสองผืนนะได้ดิบ2เข็ ได้พายเย็บเข็มกันไตรรวมหนึ่งถาดสําหรับสําหรับที่จะสนมจะได้ใช้เย็บเสื้อกางเกงถุงสวมศีรษะให้ศพอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่จริงแล้วอันนี้ก็คือระเบียบพิธีของอผู้ที่เป็นสับปะเลศเขาใช้กันญาติจมอันนี้เพียงนํามาเล่าที่จริงก็มีเยอะทีเดียวนะแต่ที่จริงแล้วญาติจบสาธุชนทั้งหลายนะในส่วนของตัวนี้ก็ที่จริงก็คือเนื้อหาสาระ ในส่วนของประเพณีที่อยากจะให้เราได้ทราบเพิ่มเติมเสริมแต่งในส่วนของเนื้อหาสาระที่ได้กล่าวว่าไว้แล้วในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวในช่วงของท้ายรายการในวันนี้อยากจะพูดคุยในส่วนของเนืฐานธรรมะนามาฝากกับยาติโมก็แล้วกันวันนี้จะขอพูดในส่วนของเกี่ยวข้องเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นที่อยากจะพูดในต่อจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้แหละ ที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องนิมนพระมานั่งหน้าผู้ที่ใกล้จะตายทำไมต้องนิมนพระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับคนที่ใกล้จะตายนะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นที่จริงแล้วก็เขาบอกว่าทำไมต้องบอกขนทางนั่นแหละ ย, ยะโจกก็หมายความว่าเมื่อคนเจ็บหนักใกล้จะตายซึ่งเรียกว่าเข้ามรณะญานแล้วนี่โดยเฉพาะโสตะประสาทและก็จะขูปราทอย่างไม่ดับยะโจ ผู้พยาบาลต้องจัดดอกไม้ทูบเทียนบรรจุลงในกล้วยใบตองให้ผู้จะตายถือกลวยดอกไม้ทูบเทียนไว้สําหรับผู้จะตายบูชาลําลึกคุณของพระรัตนตรยัยแล้วก็เพื่อนําไปบูชาพระจุลาแก้วมณีเจดี JD. บนสวงสรรค์บางทีเราก็นิมนต์พระสงฆ์มาหรืออัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งไว้จริงๆแล้วมีเรื่องเล่ากันมาว่ามีนายพรานผู้หนึ่งยันจบป่วยหนักใกล้จะตาย เห็นสัตว์ต่างๆซึ่งตนเคยฆ่าในการก่อนมากมายเลยทีเดียวเหมือนกับนายสุการะฆ่าสุกรอีกใกล้จะตายในร้องเหมือนสุกรเลยะจกอันนี้ก็เหมือนกันใกล้จะตายก็เห็นสัตว์ต่างๆซึ่งตนเคยฆ่าในการก่อนมาปรากฏอยู่ต่อหน้าเฉพาะหน้าในเต็มไปหมดเลยะจกจึงได้บอกแก่บุตรชายของตนผู้บวชเป็นพิสูุอยู่เพราะตนนั้นมีความกลัวและก็สะดุ้งตกใจในเหตุการณ์นั้นยิ่งนักเลยทีเดียว พระลูกชายเนีย่ยยอดโยมครั้นทราบแล้วนึกรู้ทันทีว่านั่นเนี่เป็นภาพของอากุศ ล, ลกรรมอันมาปรากฏในจิตของบิดาเราแล้วผู้เคยประกอบการฆ่าสัตว์มามากต่อมากเมื่อคิดจะช่วยยอดโยมก็เลยจัดดอกไม้ทูบเทียนใส่ในมือบิดาแล้วก็บอกว่าคุณพ่อเอ้ยคุณพ่อจงเล็งแลดูดอกไม้ทูบเทียนนี้ แล้วให้ลำลึกบูชาถึงพระพุทธพระธรรมและก็พระสง์เถิดคุณพ่อเอ้ยคุณพ่อคุณพ่อจงแรงแลดูดอกไม้ทุบเทียนนี้ลำลึกบูชาถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงเ์ด้วยเทิดนาพระลูกชายท่านบอกญาติโยมครั้นบีดากระทําตามคําที่พระลูกชายนั้นนาบอกมาจิตก็บังเกิดความเลื่อมใสในภารตะรัฏญาตายยาิโยม หายจากความสะดุ้งตกใจกลัวและจิตนั้นก็เกิดสัมปยุตด้วยกุศลญาติโยมครั้นสิ้นชีพวายชนแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนาชนชั้นหลังจึงได้กระทำกันสืบๆมาด้วยหวังที่จะให้ผู้จะตายรำลึกถึงพระรัตนตรยัยเกิดความเลื่อมใสขึ้นในดวงจิตแม้ในเวลามัดสพ อย่างให้ศพถือกลวยดอกไม้ทูบเทียนก็ด้วยจุดประสงค์เช่นเดียวกันยะจมคือครั้นผู้ตายเจ็บจวนจะสิ้นใจผู้พยาบาลก็ตะโกนบอกอารหังอารหังก็เพื่อที่หรือพุทธโธพุทธโธให้ผู้ป่วยได้ยินเขาก็จะได้ลำลึกถึงคุณพระละห่วงใยในบุตรภรรยาและก็ทรัพย์สมบัติหน่วงคุณพระเป็นอารมณ์ เมื่อดับขันไปแล้วก็จะไปสู่สุคติยะจบนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกไว้ว่าหนาบุรเป็นห่วงเกี่ยวพันคอทับเป็นบาทาคลอล่ามเทา้าสามีภรรยาเป็นเยี่ยงอย่างปอผูกมัดมือนาสามอย่างนี้ใครพ้นได้จึงพ้นสงสารยะจบอันนี้ก็ถือว่าเป็น เรื่องสําคัญที่หยิบยกประเด็นเนื้อหาสาระมาฝากกาญจโยมสาธิชนทั้งหลายในช่วงของวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในส่วนของเนื้อหาสาระที่ญาติโยมสามารถที่จะรับฟังได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงของเวลาธรรมญาติโยมก็สามารถเปิดคลื่นมารับฟังในส่วนของรายการได้เป็นประจำของทางสถานีโดยเฉพาะ 106.75 เมกะเฮิร์แห่งนี้ก็ยังคง พูดคุยในส่วนของเนื้อหาสาระโดยเฉพาะธรรมะฝากญาติมสาธุชนทั้งหลายเป็นอย่างดีญาติโ ย, ยมเหลือเวลาประมาณ5นาทีต้องการที่จะพูดคุยต้องการที่จะติชมต้องการที่จะสนธนาธรรมกับทางรายการก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-44 5,60488 จึงเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวที่สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการเพื่อสนธนาธรรมกันอาตมภาพนะในวันนี้ก็แล้วกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวที่ญาติโยมได้ให้ความสนใจใกล้ในธรรมต้องการที่จะพูดคุยกับทางรายการก็ขอรับโทรศัพท์ซักสายหนึ่งก็แล้วกันจเจริญพรคุณโยม <c oughs> จเจริญพร นน้นมนษษาเหลว่ค่ะเจริญพรคุณโยมยานีคมาจากบ้านประชาค่ะอ๋อคุณโยมคุณโยมแม <c oughs> อ่อ๋อเป็นยังไงเนาะได้ค <c oughs> ่ะเจริญพรโตพอดีฟังราการอยู่ตอนไหนครัเจริญพรขคยของพอดีเอื้อยังไม่นอนนะอ๋อก็มีเือมีอะไรเหรอคุณโยม อยาถามเรื่องเจริญพรคือประมาณเมื่อวันพาที่แล้วไม่ได้ไปวันเจริญพรก็ลุกทำกับข้าวแล้วก็จัดอาหารนี้ให้ให้ที่ชายไปวัดเพนเจริญพรถ้าเราทำดีนะเราจะได้รับบุญ อ, อ๋อเจริญพร อ, อันนี้ก็ได้รับเหมือนกันคุณโยมเพราะว่าหนึ่งละเจตนาที่เราตั้งใจเขาเรียกว่าเจตนาเริ่มต้นที่เราจะทําบุญนั้นมีจิตเลื่อมใสตอนที่เราทํานั้นเลื่อมใสอยากที่จะทําบุญอันนี้กุศลเกิดขึ้นแล้วนะคุณโยมนะอืแต่ถ้าเราไม่ได้ไปด้วยตนเองก็มีกุศลเหมือนกันยศโยม พราะว่าเจตนาอยู่ที่เจตนาของคุณโยมเพราะว่าหนึ่งละภาระหน้าที่เราไปไม่ได้เราเรามีภาระจริงๆนะเรามีภาระจริงจริงก็มีประวัติมาเหมือนกันเป็นเนื้อหาสารานิทานที่เขาเคยเล่าไว้เหมือนกันก็มีพระปัจเจกับพุทธเจ้านี่แหละเข้ามาบิณฑบาตในหมู่บ้านเผือิญว่าเศรษฐีนี่กําลังสารวณอยู่กับการทําอย่างอื่นแต่ก็ทําอาหารเสร็จแล้วแหละก็เลยเรียกให้ อ่าคนใช้มาไปทําอาบุญแทนเพราะฉะนั้นอ่าผลบุญที่ได้ก็คือได้ทั้งสองฝ่ายยนะโ<ะ>ยมน ะ, ะอ่า<ะ>ได้ทั้งผู้ที่ไปและได้ทั้งผู้ที่ทําค่ะคือมีบางคนเขาบอกว่าถ้าเราทํานี้ไม่ได้เลยจะได้คนที่เอาของเราในใหญ่ไป อ, อได้ เ, เอาคนเดียวจเจริญเจริญพร ตรงนี้ก็คือหมายความว่าบุญกุศลที่ได้นี่มันจะไม่เต็มที่คุณโยมนะก็คือเราไปก็มือคือหมายความว่าเราให้คนอื่นไปแต่ว่าแต่ที่จริงแล้วมันได้คนโยมนะก็คือในขณะที่เราทำนี่ในขณะที่เราประกอบหรือเราขณะที่เราได้สิ่งของมาได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วเรามีความยินดีในสิ่งที่เราจะถวายด้วย คุณโยมก็น่าจะมีความยินดีที่เราจะถวายอยู่แล้วเพราะว่าเราละความตรนีคนที่จะทําบุญได้เนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ละความตระนีได้คุณโยม <Yeah. S 1> คุณโยมเข้าใจความตระณีไหมความตรนีก็คือความขี้เหนียวนั่นเองคุณโยมนะโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วคนบางทีถ้ามีความขี้เหนียวมากนส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยทําบุญกั น, นาบางทีก็ทําบุญเพียงสั่งอยากได้หน้าเฉยๆอย่างเงี้ย นะเขาเรียกว่าทําบุญเพื่อได้หน้านี่ไม่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งละกุศล ท, ที่เราทำนะก็ทําด้วยความจงคือทำด้วยความไม่ได้สมัครใจที่จะทํากุศลที่เกิดมันก็เกิดได้น้อยแต่ถ้าเราหนึ่งละเราตั้งใจทํานะก็คือหมายความว่าบุญมันได้คุณโยมแต่ว่ามันได้ไม่เต็มที่นะก็คือเราไม่ได้ถวายด้วยตนเองนะเราไม่ได้ถวายด้วยตนเองถ้าเราไปถวายด้วยตนเองได้ นะก็คือก <ins> <ness> ็จะได้เ <t> ต <arring> ็มที่นะคุณโยมเข้าใจไหมวันนั้นผ่านวัดวัดเวสพอดีมีธุระอ๋อเจริญพรหลานชายที่อยู่บ้านตะกุยนั่นหละอ๋อเจริญพรเอยู่โรงบ้านอ๋อคุณคุณโยมไหนนะบ้านตะกุยเอ๋อเจริญพรวันไหนวันไหนเมื่อวันไหนเนาะ พอรอเจริญพรเจริญพรเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้หลานเป็นยังไงบ้างีออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่ให้หมอผ่าโอเจริญพรวเจ็บโอแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วทำยังไงละ่ะ้าไม่ผ่าจะหายไหมละ่ะเห็นเห็นว่าลูกสะพยเขาพาไปอเจริญพรขออชาบ้านกอนอเพื่อไปต่อกกระดูกใช่ไหมอย่าอ่าเจริญพรแ่วเขเ็นแล้วก็ แทนที่ไปแล้วจะได้ผ่าเลย <Ừ. S 2> หมอเขาก็เก็บไว้ตั้งเกือบสามนาทีเจรนญพรหมอคนหนึ่งเขบอกว่าให้ผ่าทันทีแต่หมออีกคนหนึ่งเขบอกว่าให้เก็บไว้แล้วตอนนี้ก็เป็นบทเรียนของหมอที่โรงพยาบาลหมอหมอทั้งสงฝ่ยทุกเถียงกันใหญ่เลยอ๋อเป็นยังไงอย่า ปัญหาในส่วนของครังการรักษาใช่ไหม อ, อืมเจริญพรช่วงนี้คุณโยมแม่เป็นยังไงบ้างในสุขภาพเนี่ยทุกวันเลยนะคุณยมแม่สุขภาพเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ัมนทุกวันนี้มันติดใจเป็นยังไงไม่รู้เวลาส่วนวันนี้มันเป็นกระลูกชายไม่สบายหรือเรากังวลไปมากอ๋อก็คือในส่วนนี้ก็คือเขาเรียกว่า มีความหงอยมีความหงอยอ่าทีนี้พอมันมีความหงใหญ่ที่มันเกิดความกังวลใช่ไหมคุณโยมอืมมีความกังวลก็พยายามที่จะก็รักษาจิตของตนเองให้ดีอ่ะนะพยายามที่จะอย่าไปคือถ้าเราเราสวดมนต์แล้วนี่ถ้าถ้าจิตที่เป็นสมาธินี่อ่านะบางทีผลผลบุญหรือกุศลนี่จะจะช่วยส่งให้ได้นะคุณโยมนะคือช่วยให้คนอื่นได้เหมือนกัน าเป็นการแผ่แผกุศลจิตไปให้เพราะบางเพราะว่าอา น, นิสงค์ของความเมตตานี่จะช่วยได้เยอะโดยเฉพาะถ้าเราเกิดเป็นศัตรูหรือเราเราไปโกรธใครใครมาโกรธเรานี่ถ้าเราแผ่เมตตาให้แก่เขานี่สักวันหนึ่งนี่เขาก็จะเห็นความดีของเราในส่วนตรงนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะหายากที่พอมันเกิดความโกรธกันแล้วนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มองหน้ากันอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ให้อภัยทาน เพราะว่าถ้าพยธาธิ์นี่เป็นสิ่งที่ดีและก็มีอ น, นิสงฆ์มากถ้าเรารู้จักอภัยทานซึ่งกันและกันแล้วก็การแผ่เมตตาให้กับคนที่เรารักนเราทําบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาได้มีความสุขความเจริญก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะคุณโยมนะ อ, ะอเจริญพรเดี๋ยวดูเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะคุณโยมแม่อ่าเจริญพรขออนโมทนาเด้อขอให้มีอายุยืนต่อไปก็แล้วกันเป็นร่มโพล้มใส่ของลูกหลานนะ อ่าขออนุโมทนาคุณโยมแม่อ่าเจริญพรนะก็ขอตัดรายการก่อนก็แล้วกันนะคุณโยมนะท่านก็ก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสู่รายการหลังจากจบรายการขอเวลาแค่ห้านาทีเท่านั้นนะถ้าหมดจากห้านาทีแล้วจะไม่ขอรับสายเพราะว่าอาจจะทําการปิดรายการกั น, กนต่อไปวันนี้ดูเวลาแล้วสมควรแล้วละ่ะอาตามาผาพรพระสมรักญาณนะทีโรวัดพันสีตําบุญจารพัฒอำเภอซีขอรภูมิจังหวัดสุริน ต้องขอลาพาจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านขอเจริญพร